Thank mm -hmm. you. บทที่สโลกธรรมข้าพเจ้าเคยพิจารณาดูแล้วว่าในการแสดงวิธีแก้ทุกประเด็นต่างๆซึ่งเป็นเรื่องชีวิตประจำวันควรจะเอาธรรมะเรื่องใดเป็นโครงจึงจะครบถ้วนและใกล้เคียงกับปัญหาชีวิตของสามัญชนจริงๆในที่สุดเห็นว่าพระพุทธโอวาทเรื่องโลกธรรม เป็นเรื่องที่เหมาะแก่การศึกษามากที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับชีวิตหรือจะว่าเป็นเรื่องของชีวิตโดยตรงก็ว่าได้ดังนั้นการแสดงต่อไปข้าพเจ้าจะเอาโลกธรรมเป็นโครงแต่จะอธิบายประเด็นอื่นๆที่โยงถึงกันมาแสดงรวมกันไปด้วยคือเราเดินตามเขาโลกธรรมแต่ไม่ใช่เดินตรงไปทีเดียว แวะรายทางไปด้วยตามที่ข้าพเจ้าจะเห็นว่าควรแวะเรื่องจะออกมาในรูปใดรถใดกรุณาติดตามไปดูก็แล้วกันตอนโลกธรรมคำว่าโลกธรรมแปลอย่างรักษาภูมินักธรรมว่าธรรมประจำโลกแปลอย่างนี้ความชวนให้เห็นไปว่า หมายถึงข้อปฏิบัติประจําโลกหรือธรรมนูญโลกคล้ายๆกับจะเป็นกฎบัตรสหประชาชาติอะไรในรูปนั้นคําแปลเลยชักจะทําให้มัวส่องให้เห็นความไม่ตรงที่เรื่องเป็นอย่างนี้เรื่องน่าห่วงอยู่รู้สึกว่าคนสมัยนี้ชอบตีสนิทเป็นกันเองกับธรรมะหรือทําตัวเป็นเพื่อนกับธรรมะ ออกจะเกินไปอีกแล้วบางทีก็เอาพระธรรมในศาสนามาเป็นคาออกแขกเล่นลิเกเพื่อตกลงให้คนรู้เท่าไม่ถึงการหัวเราะเล่นบางทีก็คว้าเอาต้นคําปลายคําทางธรรมมาเป็นขี้ปากในวงเล่าดูเป็นการดึงเอาธรรมะซึ่งมหาชนทั่วไปต้องนั่งสงบประนมมือฟังลงมาละลายความศักดิ์สิทธ ให้จางลงเพราะเห็นแก่ความสนุกคนองเล็กๆน้อยๆคำว่ารรมที่มาในคัมภีร์ทางศาสนาใช้ได้หลายความหมายตามแต่เรื่องที่แสดงถึงสำหรับธรรมในคำว่าโล ก, กธรรมนี้ข้าพเจ้ารักจะแปลให้ฟังง่ายๆว่าเรื่องของโลกซึ่งคิดว่า ใกล้ความมุ่งหมายกว่าคำแปลอีกหลายคำที่นึกได้ที่ว่าเรื่องของโลกหมายความว่าเรื่องที่จะว่าต่อไปเป็นเรื่องของชาวโลกคือเป็นเรื่องที่มีอยู่ในโลกแล้วเป็นประจำของโลกทีนี้เรามาเกิดในโลกก็เลยมาเจอเอาเรื่องของโลกเข้าบางท่านอาจยังไม่แจ่มโปรดคิดดูว่า ถ้าเราหลงไปในทะเลเราจะถูกคลื่นซัดพวะพวะเรื่องคลื่นนั้นเป็นเรื่องของทะเลไม่ใช่เรื่องของเราเราไปมันก็มีคลื่นเราไม่ไปมันก็มีคลื่นเพราะเรื่องของทะเลมันเป็นอย่างนั้นการที่เราเกิดมาในโลกนี้ก็เหมือนคนลงไปในทะเลคือเมื่อเกิดมาในโลกก็ต้องเจอเรื่องของโลก ซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วคือไม่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดโลกเขาก็มีเรื่องของเขาอยู่อย่างนี้เรื่องของโลกนั่นแหละเรียกว่าโล ก, กธรรมของทุกอย่างมันมีเรื่องของมันประจำอยู่แล้วเช่นเรื่องของป่าเรื่องของทุ่งนาเรื่องของโลกและอื่นๆอีกเราเองก็มีเรื่องของเราอยู่ต่างหาก เมื่อเข้าป่าเราก็จะพบเรื่องของป่าเช่นมีนกร้องมีกิ่งไม้และเถาวัลย์เกะ ก, กะลงไปในแม่น้ำก็ต้องพบเรื่องของแม่น้ำเช่นมีน้ำมีโคลนเปียกเปล่งขึ้นเขาก็ต้องพบเรื่องภูเขาเช่นมีกรวดมีหินต่าบ้างสูงบ้างไม่ราบเรียบ ลงทุ่งนาก็พบเรื่องของทุ่งนาเช่นเห็นความเวิ้งว้างมีวัวมีควายแม้ที่เราเกิดมาในโลกต้องพบเรื่องของโลกซึ่งจะว่าต่อไปข้อสำคัญเมื่อเราพบเรื่องอะไรคนเราทุกมากๆนั้นส่วนมากไปทุกเรื่องของเขาไปหอบเอามาทุกใจของตัว ปัญหาเรื่องโลกกระทำก็เหมือนกันข้อสาคัญเราต้องนึกไว้เสมอว่ามันเป็นเรื่องของโลกและทุกจะค่อยเบาบางลงตอนโลกนี้มีอะไรที่ว่าโล ก, กธรรมครอบโลกนั้นว่าให้ละเอียดแล้วเป็นเรื่องของคนเสียมากเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้น ข้าพเจ้าจะขอแ亡สักนิดคือโลกที่เราอยู่เดี๋ยวนี้มีส่วนประกอบอยู่2 ส, ส่วนใหญ่ๆคือส่วนที่1ได้แก่วัตถุส่วนที่สองได้แก่สัตว์เฉพาะส่วนที่2แยกออกเป็นสองพวกคือพวกเดรัจฉานกับพวกมนุษย์เชิญดูภาพแสดงส่วนประกอบของโลกต่อไปนี้ภาพอยู่ใต้คลิป วัตถุหมายถึงวัตถุทั้งหมดบรรดาที่มีอยู่ในโลกเช่นดินน้ำอากาศลมไฟต้นไม้โต๊ะเก้าอี้และอื่นๆซึ่งเป็นของล้วนๆไม่มีความคิดอยู่ในตัวสัตว์ได้แก่สัตว์ทุกชนิดทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำอาทิ มางูหมูนกแมวปลารวมทั้งมนุษย์ด้วยพวกสัตว์นี้เรียกรวมกันว่าสัตว์โลกทำไมจึงเรียกกันว่าสัตว์โลกเอาไว้พูดตอนต่อไปว่าถึงเหตุผลที่ทำให้มีการแบ่งประเภทสัตว์เสียก่อนตอนความแตกต่างระหว่างสัตว์โลก สัตว์โลกจำนวนหนึ่งเวลาเติบโตร่างกายเติบโตทางขวางคือลำตัวยาวออกขวางทางโลกเรียกว่าเดรฉานภาษาบาลีว่าตีรัชานะคือเจริญเติบโตทางขวางเช่นงูม้าหมูหมาไก่ปลาลิงและอื่นๆ สัตว์พวกนี้เติบโตทางขวางทั้งนั้นส่วนสัตว์โลกอีกพวกหนึ่งเวลาเติบโตร่างกายส่วนมากขยายตัวขึ้นทางสูงคือชลูดขึ้นจากพื้นโลกเรียกว่ามนุษย์ภาษาบาลีว่ามนุษย์คือเจริญเติบโตทางสูงดูภาพเปรียบเทียบต่อไปนี้ ภาพที่2ใต้คลิปจากการเติบโตคนละแบบนี้ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างมนุษย์กับเิรชจานคือในแง่การใช้สมองโดยทั่วไปมันสมองของสัตว์โลกอยู่ที่กระโหลกศีรษะมันสมองจะทำงานได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อมันอยู่ในระดับสูงกว่าอวัยวะอื่นๆทีนี้พวกสัตว์เิรัชาน สีสะกกับลำตัวของมันอยู่ในระดับเดียวกันมันสมองจึงให้ผลน้อยนี่เป็นสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งที่มีส่วนทำให้ใจของมันคิดอะไรไม่โปรง่งสู้คนไม่ได้เพราะมันสมองคนอยู่ในระดับสูงกว่าอวัยวะส่วนอื่นคนเราก็เถอะการใช้ความคิดได้ผลเต็มที่ ก็เฉพาะตอนที่มันสมองอยู่สูงกว่าตัวเท่านั้นเช่นขณะนั่งหรือยืนหรือเดินถ้าทอดศีสษะลงอยู่ระดับเดียวกับร่างกายเสร็จแล้วสมองก็ใช้การได้น้อยอย่างเวลานอนที่จะคิดการอะไรสำคัญสาคัญดูหายากประเดี๋ยวก็หลับที่คนชอบพูดว่าเรื่องนี้ผมได้นั่งคิดนอนคิดแล้ว ที่จริงก็ได้แต่เพียงนั่งคิดเท่านั้นส่วนเวลานอนนอนหลับไม่ใช่นอนคิดแม้คนที่นอนไม่หลับจริงๆความคิดก็เป็นเรื่องฟุ้งซ่านเสียมากเพราะฉะนั้นในห้องเรียนและที่ทำงานต่างๆเขาจึงนั่งเรียนนั่งทำกันทั้งนั้นไม่มีกระทรวงไหนที่ข้าราชการนอนทำงานกัน ก็เติบโตของร่างกายระหว่างมนุษย์กับเดรัจฉานให้ผลต่างกันอย่างนี้แม้ในพวกเดรัจฉานด้วยกันพวกเดรัจฉานที่สามารถยกศีรษะให้สูงกว่าตัวได้มากมเช่นลิงหมาหมาเป็นต้นก็มีเดียงสาคือแววฉลาดดีกว่าพวกศีรษะต่ำกว่าตัวคนเรานี้แม้ธรรมชาติช่วยมากแล้ว แต่ถ้าใครติดขี้เกียจหลังยาวปล่อยให้สมองวางบนพื้นบ่อยเกินไปหัวคิดก็ทื่อลงเหมือนกันตอนผู้คล่องโลกทีนี้ว่าเรื่องชื่อมนุษย์และเดรัชานถูกเรียกว่าสัตว์เพราะเหตุใดน่าจะอธิบายไว้บ้างการความเข้าใจผิด เพราะคำว่าสัตว์ในภาษาไทยเรามักจะเข้าใจว่าเป็นคำต่ำเป็นคำสำหรับด่ากันทั้งนี้ก็เห็นจะเป็นเพราะคำนี้เป็นชื่อรวมระหว่างมนุษย์กับเดรัจฉานานั่นเองเมื่อเราเหยียดเดรัจฉานแล้วคำที่เป็นชื่อใช้ร่วมกันก็เลยพลอยถูกเหยียดลงไปด้วยที่จริงคำว่าสัตว์นี้เป็นศัพทธรมรมศัพท์หนึ่งในพระพุทธศาสนา ที่น่าจะศึกษาคำว่าสัตว์แปลว่าข้องคือติดอยู่หรือเกี่ยวอยู่คำว่าสัตว์โลกก็แปลตรงตัวว่าผู้ล้องโลกอธิบายว่าติดโลกฉะนั้นทั้งมนุษย์ทั้งเดรัจฉานจึงถูกเรียกว่าสัตว์โลกเหมือนกันเท่านี้ก็ไม่เห็นจะน่ารังเกียจคำว่าสัตว์อะไรกันนักหนา คนที่ด่าคนอื่นว่าสัตว์ตัวเขาเองก็เป็นสัตว์เหมือนกันแล้วคล้องจริงๆหรือจริงมนุษย์กับรยริฉานมีส่วนประกอบในตัวเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือมีกายกับมีใจเหมือนกันและที่ว่าคล่องโลกนั้นก็คล่องทั้งกายคล่องทั้งใจเหมือนกันนี่ว่าเรื่องมนุษย์สามัญคือคนธรรมดา ส่วนท่านผู้ผลโลกยังไม่ได้ว่าในตอนนี้ร่างกายของสัตว์เป็นของปรุงขึ้นจากวัตถุของโลกเนื้อหนังมังสังทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าผสมขึ้นจากวัตถุของโลกทั้งนั้นไม่มีอวัยวะส่วนใดที่ได้มาจากนอกโลกเลยเมื่อเกิดเป็นร่างกายแล้วจะคงอยู่ได้และเจริญเติบโต ก็ต้องหาวัตถุของโลกมาเลี้ยงไว้โปรโดคิดดูเองก็เห็นน้ำที่เราดื่มข้าวที่เรากินอากาศที่เราหายใจตลอดจนเนื้อสัตว์และผักต่างๆเป็นวัตถุของโลกจึงต้องเลี้ยงไว้ด้วยวัตถุของโลกเหมือนปลาเป็นสัตว์มาจากน้ำถ้าจะเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงด้วยน้ำกระต่ายมาจากป่า ถ้าจะเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงด้วยใบหญ้าและใบไม้ซึ่งเป็นของมีในป่าทีนี้ว่ามาถึงใจก็เหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราปล่อยสัตว์ทั้งสองอย่างนี้ให้มันเลือกเอาตามใจชอบว่ามันจะอยากไปทางไหนเจ้าปลาก็คงจะขอลงในน้าซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมของมันแล้วก็คงขอร้องที่จะไม่เข้าไปในป่า ฝ่ายเจ้ากระต่ายก็จะต้องสมัครวิ่งเข้าป่าซึ่งเป็นแหล่งเดิมของมันที่จะสมัครดำลงไปอยู่ในน้ำเป็นไม่มีแล้วฉะนั้นเราจะเรียกปลาว่าผู้คล้องน้ำเรียกกระต่ายว่าผู้คล้องป่าดังนี้ก็ได้เรื่องร่างกายของมนุษย์และเดระฉานขล้องโลกก็เหมือนกันคือเป็นของที่ได้มาจากวัตถุของโลก แล้วก็เลี้ยงไว้ด้วยวัตถุของโลกและที่แน่ที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือผลสุดท้ายเมื่อเลี้ยงไว้ไม่ไหวแล้วก็ต้องคืนร่างกายนี้ให้แก่โลกไม่มีใครนาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกไปนอกโลกได้เลยร่างกายของมนุษย์และเดรัจฉานข้องโลกอยู่อย่างนี้นี่หนึ่งละที่ทำให้มนุษย์และเดรัจฉาน ถูกเรียกว่าสัตว์โลกเราวนี้ว่าถึงทางใจใจของมนุษย์และเดรัฉานคล่องอยู่ในโลกเหมือนกันคือใจมีความกำหนัดยินดีอยู่ในโลกพูดง่ายๆคือชอบโลกอาหารที่ชอบชอบก็เป็นของโลกบ้านช่องที่ชอบชอบก็เป็นของโลกตกลงว่าใจมนุษย์และเดรัฉาน ยังชอบโลกแม้แต่ตายแล้วจะเกิดใหม่ก็ยังปรารถนาให้เกิดในโลกแม้จะอ้างว่าอยากไปเกิดเป็นเทวดาหรือพระพรหมก็คงไม่พ้นโลกอยู่นั่นเองยิ่งกว่านั้นใจของคนเรายังอยากได้วัตถุของโลกเช่นเพร็รพลอยเรือกสวนไรนามาเป็นของตัว เมื่อได้วัตถุของโลกมาอยู่กับตัวแล้วก็อาศัยวัตถุนั้นเป็นเครื่องวัดความมั่งมีเป็นเครื่องอวดความมีหน้ามีตากับชาวโลกด้วยกันตลอดจนอยากเป็นใหญ่ในโลกอยากปกครองโลกอยากมีอำนาจเหนือโลกเมื่อความอยากของใจผัวพันอยู่กับโลกก็เรียกว่าข้องโลกตกลงว่า กายและใจของมนุษย์และดิริชานข้องโลกอยู่เต็มตัวฉะนั้นท่านจึงตั้งชื่อรวมกันว่าพวกสัตว์โลกก็เหมาะเจาะ ด, ดีแล้วตอนผู้โกงโลกนึกถึงเรื่องโลกกับเรื่องคนแล้วก็ดูน่าขำและน่าสมเพศปนกัน คนเรานี้มักจะลืมฐานะของตัวเองที่สัมพันธ์อยู่กับโลกคือเข้าใจผิดในฐานะของตัวเองว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับโลกสถานใดเห็นจะเนื่องจากได้อยู่ในโลกนานนั่นเองเหมือนคนที่อาศัยสถานที่เขาอยู่หนักๆเข้าลืมตัวเห็นว่าตัวเองเป็นเจ้าของบ้านเลยเห็นว่าเจ้าของบ้านซช่ไห เป็นผู้อาศัยตัวมีอยู่ถมไปไม่ใช่แต่บ้านแม้ในวัดเรื่องทํานองนี้เป็นที่ขมขืนของพระก็มีมากคือขั้นแรกโยมมาสมัครเป็นวัยาวิจกรให้พระหรือเป็นมรรคทายกครั้นพระสงเคราะห์ตั้งให้แล้วอยู่อยู่ไปวัยาวัจกรหรือมรรคทายก มักจะเหลอตัวเห็นปราเป็นผู้อาศัยตนนักเข้าสาคัญตัวเองเป็นสมผานวัดไปก็มีมีอันบังคับสมผานให้คล้อยตามทางตรงบ้างทางอ้อมบ้างบาปกรรมแท้ไม่รู้ว่ามานตนใดมาโดนใจให้มีอันเป็นไปก็ไม่รู้คนเรานี้ก็มักจะลืมตัวมีความโลภ กอบโกยเอาวัตถุของโลกมาเป็นของตัวถึงกับฆ่าฟันเอาของกันตูเอาของกันโกงเอาของกันเพราะเข้าใจว่าตัวได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ในที่สุดเหลวทั้งนั้นเสียแรงคะลาะกันเกือบตายจริงอย่างบางคนอาจนึกว่าโกงไว้เพื่อลูกหรือตูเอาไว้เพื่อหลาน แต่ก็ไม่น่าจะลืมว่าทั้งลูกทั้งหลานก็ขนวัตถุของโลกไปไม่ได้เลยแม้แต่กระดูกของเขาเองสักชิ้นเดียวก็เอาไปจากโลกไม่ได้ผมไม่ค้านถ้าหากจะมีใครพูดว่าคนช่อโกงเอาของคนอื่นเป็นคนร่ำรวยคือได้ของที่โกงคนอื่นนั้นมากองสุมไว้ที่บ้านของตัวสมบัติชิ้นเลวๆบางอย่างของผม เคยถูกเพื่อนมนุษย์ลักเอาไปและโกงเอาไปมีเหมือนกันแต่ท่านผู้ฟังก็คงโดนมาบ้างแต่นั่นก็เป็นเพียงการโกงเอาวัตถุของโลกซึ่งอยู่กับคนอื่นให้ย้ายมาอยู่กับตัวเท่านั้นถ้าเหลี่ยมโกงเราพอตัวเราอาจทำได้เว้นแต่การโกงเอาวัตถุของโลกจากโลกมาเป็นของตัว ใครๆก็ไม่สามารถจะทำได้เลยต่อให้รวบรวมนักโกงทั่วแผ่นดินมาประชุมกันวางแผนโกงก็ไม่สำเร็จเพราะวัตถุของโลกจะไม่ติดไปอยู่กับใครเลยแม้สมบัติทุกชิ้นที่นักโกงเอาจากเพื่อนมนุษย์มาแล้วที่สุดเขาก็ต้องคืนแก่โลกเหมือนกันถ้าเช่นนั้นการโกงก็ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป กระนั้นหรือเด็กนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันที่เรียนอยู่ชั้นเดียวกันอยู่มาวันหนึ่งเกิดแย่งโต๊ะเรียนกันตัวนี้ของข้าตัวนั้นของแกอีกคนก็ว่าเฮ้อข้าไม่ยอมตัวนี้มันเป็นของข้าโต้กันไปโต้กันมาที่สุดก็วางมวยกัน เจ้าเด็กขี้โกงถูกครูหวดเอาหลายทีหลายปีผ่านไปครูพิพาททั้งสองเรียนจบชั้นแล้วออกจากโรงเรียนไปโตเจ้ากรรมก็ยังคงอยู่ที่โรงเรียนนั่นเองถ้าเช่นนั้นการที่นักเรียนคนนั้นโกงโต๊ะของเพื่อนละ่ะก็ไม่มีความหมายและะสิมีมีความหมายเต็มตัวทีเดียว ประวัติความเลวของเขาติดตัวเขาไปสมบัติของคนชอบโกงในโลกนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับโต๊ะตัวนั้นโต๊ะยังคงตกอยู่ที่โรงเรียนเมื่อเด็กทั้งสองออกไปสมบัติที่คนโกงรวบรวมไว้ก็คงตกอยู่ในโลกเมื่อเขาตายเด็กขี้โกงได้รอยแผลคือประวัติที่เสียติดตัวไปคนโกง ได้รอยบ่าดไปเช่นเดียวกันนี่อย่างไรล่ะความหมายของการช่อโกงตอนจํานวนสัตว์โลกมนุษย์กับเทราฉานเมื่อเทียบกันทางปริมาณคือนับจํานวนเรียงตัวจะปรากฏว่าเทราฉานมีมากกว่ามนุษย์อย่างเทียบกันไม่ได้เลยไม่รู้ว่า มากกว่ากี่ร้อยกี่พันเท่าพระพวกดิรชานไม่มีการทําสมนโคนครัวเหมือนมนุษย์เราเราลองสำรวจกันดูง่ายๆเพียงในบ้านเราก็รู้ว่าฝ่ายเขามากกว่าสมมติว่าในบ้านเรามีคนอยู่สิบคนแล้วทีนี้ลองดูสิว่ามีดิรชานอยู่เท่าไหร่เอาแค่ใต้ถุนบ้านไก่เท่าไหร่ เป็ดเท่าไหร่หมาเท่าไหร่หมดปลวกเท่าไหร่แล้วในไก่ตัวหนึ่งหนึ่งมีไรอยู่เท่าไหร่ในหมาตัวหนึ่งหนึ่งมีหมัดอยู่เท่าไหร่ขึ้นบนบ้านจำพวกจิ้งจกตุกแกมแมลงวันอีกเท่าไรในห้องนอนมีเลือดเท่าไหร่มียุงเท่าไหร่แล้วถ้าใครสักคนหนึ่งมีเขาเข้าด้วยบางทีเพียง แต่คนคนเดียวก็มีดิรฉานาอาศัยอยู่มากกว่าคนทั้งบ้านเสียแล้วถ้าจะพูดอย่างไม่เกรงใจในเนื้อตัวของคนเรายังมีตัวพยาชินิดต่างๆอาศัยอยู่อีกคนละนับไม่ถ้วนมันพากันหลับนอนอยู่ในนี้วิ่งเต้นเล่นหัวอยู่ในนี้เจ็บป่วยล้มตายอยู่ในนี้พวกมนุษย์เราพากันยึดว่าร่างกายนี้เป็นของตน แต่ฝ่ายพวกตัวพยาธทั้งหลายมันก็เข้าใจว่าตัวเรานี้คือที่อยู่ของมันเป็นที่เกิดที่เที่ยวที่กินที่ถ่ายเป็นโรงพยาบาลและเป็นป่าช้าของพวกมันสังขารร่างกายที่เราถือว่าเป็นของเรานี้พวกติราิชานมันคงจะถือว่าเป็นโลกโลกหนึ่งที่เคลื่อนไปมาได้ และมันอาจจะมีระบบการปกครองแบ่งออกเป็นตำบลเป็ น, นำอำเภอหรือมีการจัดสรรที่ดินมีการจับจองและแข่งแย่งกรรมสิทธิ์กันด้วยก็อาจเป็นไปได้เรื่องโลกธรรมก็เป็นอย่างนี้แหละท่านเมื่อก่อนเรียนโลกธรรมมักรู้สึกว่าตัวเรานี้โตกว่าโลกแต่พอเรียนโลกธรรมแล้วจึงจะรู้ว่าโลกนี้ โตกว่าเรานี่เพิ่งจะเข้าเรื่องโลกธรรมเท่านั้นตัวเราก็ชักจะเล็กลงเล็กลงแล้วกว่าจะจบปาฐกถาเรื่องนี้ก็คงจะแฟบลงอีกมากทีเดียวแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงการแสดงปาฐกถาเรื่องกลวิธีแก้ทุกข์ของผมก็นับว่าได้ผลเป็นที่พอใจความทุกข์ของคนเรานั้นส่วนมากเกิดจากความโตของคนนี่แหละ ถ้าคนอื่นเขาเห็นว่าเราโตไม่เป็นไรข้อสำคัญเราเองเห็นว่าตัวเองโตนั่นสิรายนักเพราะขณะเดียวกับที่เราเห็นว่าตัวเราโตขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าโลกมันแคบลงเรือนก็เล็กไม่พอจะหายใจที่บ้างก็แคบไม่พอจะเดินหนักเข้าแผ่นดินก็แคบไม่พอจะวางอำนาจ ผู้คนที่จะปฏิบัติให้ถูกใจก็หายากเข้าเลยทุกข์กันใหญ่ทุกข์เพราะโตแท้ๆบางทีในตรอกเดียวเกิดโตพร้อมกันหลายๆคนเลยฟาดกันแหลกไปก็มีตอนโลกธรรมสี่ได้อธิบายมาแล้วว่าโลกธรรมหมายถึงอะไรในตอนนี้จะนำท่านเข้าสู่การศึกษาโลกธรรม ตามแนวพระบาลีทีเดียวโลกธรรมคือเรื่องของโลกซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆขนาดที่ใค ร, รเผชิญเขาแล้วจะต้องเกิดความดีใจหรือเสียใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่เรื่องนั้นๆมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ข้อใน8ข้อนี้เป็นเรื่องที่ทำให้คนผู้ได้รับชอบใจสี่ข้อรวมเรียกว่าอิทธารม เป็นเรื่องที่ทำให้ผู้รับไม่ชอบใจสี่ข้อรวมเรียกว่าอณิถารมแต่ถ้าจัดเป็นคู่คู่กันก็มีอยู่สี่คู่ดังนี้อารมณ์ฝ่ายคนชอบคนเกลียดคู่ที่หนึ่งได้ลากเสื่อมลากคู่ที่สองได้ยศเสื่อมยศคู่ที่สาม ได้สันเสริญถูกนินทาคู่ที่สได้สุขได้ทุก์โลกธรรมนี้ถ้าว่ากันเป็นเรื่องๆก็คงมีเพียงสี่เรื่องคือเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องสันเสริญนินทาและเรื่องสุขทุกข์เป็นสี่เรื่องด้วยกันตอนการจัดประเภทโลกธรรม ย้อนไปพูดถึงการจัดประเภทซะก่อนที่ข้าพเจ้าจัดลงไปในตารางนี้ยังไม่ตรงกับพระบาลีแท้บาลีที่เป็นพระพุทธวจนะว่าดังนี้ลาโพจัอลาโภจัยาโซจัปอยาโซ จ, โซจันินดาจะประซั่งซาจัสุขั่นจัปุกขั่นจัถ้าจะเรียงกันเป็นคู่ค ตามแนวพระบาลีจะต้องเป็นดังนี้ลาโพอลาโพยาโซอียาโ ซ, าาโซนินดาปะสัังซ่าสูขัง่งดุขัางสังเกตการเรียงลำดับตามแนวพระบาลีเห็นได้ชัดว่าเรื่องลาบท่านเรียงลาบไว้หน้าเสื่อมลาบไว้หลังเรื่องยศ ท่านเรียงยศไว้หน้าเสื่อมยศไว้หลังเรื่องสุขทุกข์ท่านเรียงสุขไว้หน้าทุกไว้หลังที่ท่านเรียงอย่างนี้ส่องความว่าท่านเอาเรื่องที่ชอบไว้หน้าเอาเรื่องที่คนเกลียดไว้หลังเพื่อให้เข้ากับสภาพจิตใจของคนทั่วไปแต่เรื่องสรรเสริญนินทากลับไข้หัวไข้ท้ายชอบก่น ท่านเอานินทาไว้หน้าเอาสรรเสริญไว้หลังจะว่าคนชอบนินทาเกลียรสรรเสริญดูเป็นไปไม่ได้คิดเพลินๆก็เห็นว่าขัดแต่คิดนานๆก็เห็นว่าเหมาะดีแล้วเพราะโลกธรรมคู่นี้ดูยากจะว่าอันไหนคนชอบอันไหนคนไม่ชอบก็ไม่สนิทนักนินทาจะว่าคนไม่ชอบหรือก็ชอบเหมือนกัน คือเราไม่ชอบให้คนอื่นนินทาตัวแต่ตัวชอบนินทาคนอื่นแล้วที่ว่าไม่ชอบคำนินทาของคนอื่นนั้นก็ไม่แน่อีกเพราะรู้ว่าใครนินทาตนก็ให้มีอันกระหายอยากรู้ว่าเขานินทาว่าอย่างไรถึงกับยอมเสียมารยาทไปแอบฟังเขานินทาตัวเองก็มีทรงสายลับไปเที่ยวสอดแนมมาเล่าให้ฟังก็มีถ้าจะมีใครสักคนหนึ่ง มาบอกเล่าให้ฟังว่ามีคนนั้นคนนี้นินทาเราเราก็ชักจะหูผึ่งซักถามเขาแทบจะตอบไม่ทันแล้วรู้สึกรักใคร่โปรดปรานคนที่นำคำนินทามาเล่าให้ฟังเสียด้วยซ้ำอย่างนี้จะว่าเกลียดหรือชอบออกจะดูยากสักหน่อยข้าพเจ้าอยากจะว่าว่าเรื่องนินทานี้มันพอเจ็บเจ็บขันขัน คือจะเจ็บก็ไม่เจ็บจริงๆจะคันก็ไม่คันจริงๆพอเจ็บเจ็บคันๆอย่างนั้นแหละข้างฝ่ายสันเริญก็เหมือนกันที่ว่าคนชอบสันเริญนั้นที่จริงก็ชอบรับมากกว่าชอบให้ซึ่งตรงกันข้ามกับนิมทาที่ชอบให้มากกว่าชอบรับเรื่องมันเกิดเป็นสองเพศอย่างนี้กระมังในบาลีท่านจึงเรียกอย่างนั้น